ทันนทรมยัางตั้งภาดอิจิติรกรรมะเสกรานามาจยปฏิบัติปฏิคุณาฏิยุตย์ตนพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศาสนาพระขอบด้วยคุณมีความาธิบาติเป็นต้น ยอดชั้นผีสูตรอาลุยบุคคสังฆาเตโรเป็นโมแหงกระหาลยยบุคคลอันประเสริฐแปลกกว่าเรื่องราษฎามาปรากยกายัาจิโ่วมีกายและจิตอันอาศัยทำมีศีลเป็นต้นอันบวร ว <ae> e ันธรรมธรรมริยาหนักขันธ์สุตตังขาพเจ้าไหวหมู่แห่งพระอริยาเจ้าเหลท่านอันวริสุดด้วยดีตัณโญยศพรปานิลังสาังเกมมุมังพระสง์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกมสงสองจา้างหล สาธิยานุสติทานังวันตามิตาสิเรนังข้พาพระเจ้าไว้พระสงห์ผู้ท่านอันเป็นที่ตั้งแห่งความระล็กคงที่สามด้วยเสียงกา้ า, า, าจังกะจานัมิธาโะทะจังโกเมตานิคิสโรยลข้พาพเจ้าเป็นท่าของพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นนายมีอิสรภาเนือข้าพเจ้าจังวกว่าดสัาสาากขะตาจาวีิ้าตาจานิทัศเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกพระสงฆ์ไว้เึง่อประโยชน์แก่ข้าปเจ้าจังกสตาห์มิยาเนมีสาริรันจิวตังจิตัาาาง ข้าพเจามอบกายเทวาอิจิวิทนีแด่พระสงฆ์การทั้งสอิจะไม่สงบตทอปฏิบันธรมข้าพเจ้าผู้อาศัยอยู่จากพระพุธามึงความปฏิบัติของพระสงฆ์อาธิเมธารานังยังสง อื่นของข้าพระเจ้าไม่มีข้าสงเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะตะเจวะเชนะวะชยังัทสุตาเตเนถวยการก่าวคำสัตนี้ข้าพระเจ้าพึงจะเรินในพระศาสนาของพระศาสนาจังกางเมวันทมะเนนะยัง สาตุตงทิทาข้าปเจ้าผู้อายอยู่จึงพระสงฆาได้ผลขายบุญใายในบัดนี้กาเสภินตารายามิมาเยทุงัสสตยจัสสาอันตรายท่างพวรอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งคุณนั้นกาเยหัวเจวัน ดด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทังเกุกังวังปะกะตังพยายังสัรมนาดีเทีย น, นทยานใดที่ข้าพระเจ้าประทำแลในพระสงฆ์สังโภตปีกลางนัุอชิยันตังขอพระสงฆ์โยมทศซึ่ ง, งทอด่วงเกินานั่น ฉันต้องรู้